นเกิดมานานะมันเกิดยิ้มแย่งนี้มัเลยดึงนัดนคนกับคนต่ามาใม่ทมาจากไหนก็เลยมเลยันใส่ยิ้มนักันมา มาเจอคือสังหรณทานคือร <t ried> <savings> ู้สึกรสชามันดีอินมาะมีหมายถึงคนจิตถ่าธรรมะไปอยู่ในต่างในเขาที่จะมาธรรมะอยู่ตลอดระยะเวลาตั่งธรมาส่วนตัวแต่เนยยินแับคือปากอาจารย์เออเอื่นทำแสดงนื้สังให้แต่เราก็ เพ่อยินดีเรียนสไในการปฏิบัติปฏิบัติของเราพอมาเจอครูจะเจอาจารย์เข้าแต่เออสามารถขึ้นรู้สึกอย่างนันเยนใจสบายใจนี่คือคนชอบธรรมะยินดีธรรมะอยู่เฉพาะตัวตอของที่โยนาธรรมะปฏิบัติธรรมะเราไปพบ ตบตาข้าทาเห็ตาเนี่ยสอนให้จิตใจยามรักยินดีตใจคือจะรดับรักษาข้อจิตเข็มทังท่าน้เป็นแบบนั้นการตั้งธรรมะมันยินดีมันยินดีมันเต็มใจมือะดงก็รู้สึกว่า สะดวกฟรัตยินดีรัตแต่ถ้าฟูรัตในยินดีรัตมั้ <c oughs> จะ ด, กดงก็ทัดข้องเรื่องของจิตมันถึงกันการคิดธรรมะเคยเคยคุยอยู่กันซังนะเป็นปิติดตีแต่มาอยู่นี้ดยวเร า, าื่อาด แท้ทุกสิที่พทรมะเฟังต้องเป็าสตรากธรรมะอะไรมาพูกในังอี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเคยพูดไปในที่อภิญ่าเรื่องธรรมะเมือนาหารถีงเราทานอยู่ทุกวันทุกเวลาความหิวสงสารสันมันเก็มีเป็นธรรมบันดาการถานอาหาร เล้วก็ทางใส่ท้งศาสตร์เป็นระยะเวลาหลายเดือนหลายปีมาแล้วเรจะเปลี่ยนไปทานเสี่ยวเหม่ใส่ทางจมูกทางหูมันก็ไม่ถูกเพราะงั้นใิสัยเสี่ยอาหารจะไปเข้าทางจมูกทางหูได้มีการทางธรรมะการวิทยาธรรมะก็ทำานเดียวกัน เสียงเราเคยฟังจิตสันจะแดงอยู่เรื่อยตามเราจะตงรัดฟังยเรื่อยที่ก็หน้าอยู่เรื่อยอีกแนวองเก่าแเราใน่คนหน้าใหม่ที่รือเตัวใหม่มาจากที่ไหนธรรมะตัม่ีท้อใหม่เกิดขึ้นเราทำลายสาสางอย่างหนึเกิดขึ้งในจิตในใจที่ไหนก็ทาไปอยู่เรื่อย ทำขอเก่าแต่ทำรอยไปของเก่านั่นแหละมันจะเกิดอันสข์ขึ้นงั้นันเก่าคนทำมาทำสยงที่ดินของเก่าอีู่แล้วกันเลยไปทาบนยอดเขาหรือไปทบนต้นไม้หรือไปทาบนอากาศหยุดฝนอยูลวทลงไปทำทุกทีทกีก็ได้ ทำในทำเหมืมนอนหลายสิ่งที่เคยทำจะไปทำทีใหม่จะทมที่ไหนกันกะทำทีดินขางเก่ามีการที่ทารณาเรื่อของทำจะทำลอยเดี่ยวกันยังไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่าอ่่เราพิจารณาจริงจังทำ ม, มันสืบยันอยู่ในใจในใจเท่านั้น ใ้นแต่กายตั้ใจตัวชเวิตมันมีอย <t> ู่ตรงนี้ตัวของเราต่ฝึกกันโดยดีตัวคือกล่องของธรรมแต่มันจะเป็นอคติเนธรรมหรือคิดเหนธรรมนั้นแล้วแต่ความฉลาดของเราที่จะรักษากายและใจใจของเราถ้าฉลาเกิสามารถทฝุดปิดในทางทีดีได้เฝึกด เนทางสุดีทาใน ท, งทังสดีคิใจ่ก็สะอาดคิดใจก็เย็นคิดใจไม่ก็สงบพรก็ดีทกาก็ดีสูก็ดีจะมีอะไรสิจะิดากความจริงคืออาจทำไปใจมันจริงในเดือดร้อในใครเขาจะมงตายปูดูหมิ่นอย่างไร แต่อำนาจความรู้สึกของเราเราความสามาที่จะโตใหญ่เราได้แาจะพูดตอบถอยเถียงขนของขาวตดีเราจะไปพูดแล้วก็นื่งเชยนั่นลว่อะไรที่จะเสเหง่อัวจิตใจของเราเลยหุ่นไหวไม่เป็นเด็ดเดี่ยวอการทำกการคิดทั้งตัจิมันจึงได้รับควสุข ความสงกความเย็นสวามสบายนี่หมายถึงทิยธรรมเขื่อนทุติธรรมรือเรื่องอาธรรมความเสว่อนั้นโผล่ไปจากที่อื่นอีกเหมือนกันไปจากกายจากใจของเราจิตไปทำไปพูดไปคิดในสิ่งที่ผิดหอยใจวันั้นถูก ใ, ใจว่ามันดีเรีรู้เอาหน้ารู้จักอยู่แล้วว่ามันเชื่อมันเสียแต่สาคูนทำไปอย่างนี้เยอว่ารู้ออาหน้าต่อทีอ่เละแต่เราทำลงไปผุดออกไปหรือปิดไปในเรื่องนั้ น, นคนอื่นเขาไม่เห็นใจจะตัวเราไ่อเ อ, งองืงต่อรู้จั แล้วยาดนี้เราทำสิ่งที่ไม่ดีใน่ถูกต้องตามอานตามทำแล้วหุดสิ่งที่ลยจกินหิดเท็จโกหกพกลมฮะความจริงอะไรไม่ได้ฮะเพราะวในการพิดไม่ได้เราคิดในสิงที่คิดไม่ถูกต้ อ, องตามทรมาของทำคนอื่นเขาสกษาวเราทราแต่เรามีแต่ติ คิดสุคิดยาวนาดูเดือตัวของตัวแต่วั้นเดือดต้องเราคือตายใจนี้จึงเป็นธรรมเป็นทั้งอธรรมทัางเป็นธรรมดูเฉลี่ยผิดถู่ดีเหยียกวิเลกันหาหรือมรรคผลนันไปอยู่ในตัวของคนเราอยู่ในที่อื่ เป็นตำับตำลาผิดแนเสียอะไรแต่ตำลับตาลาเมื่อเกิดป้นเตัหายในไปสวรรค์นี่านไม่ไดเกิดขึ้นเกิดตกนรกอะไรก็ตารานั้นมันเป็นตำลาสัณหาไม่ใช่ตัวของธรรมของสิ่ี่ะดีจะชั่วจะไม่ชั่วขนาดไหนความชั่วนั้นมันก็เลงเสียหายในไป สมัยถึงวันถึงเวลาแล้ก็หมดอ้ยุพวามมันก็ขาดไปตอเรื่องหาคนหนึ่งเอาไปสิ่อไปเผาหรือตำราของวิริยตำราของมักผลมันมีเช่นแนั้นวิริย็นใจวิริ ย, ยไปทำดีทำชั่วแต่ตำรานั้ยมันเป็นประโยชน์สาหรับคนอื่นชาลา และอ่านรู father, yours, no ้เข้าจะนำมากำหนดที่จามะเกิดตั้งละจิตใจของตัวสิขียวสิเสียแหลมหมดมันสิ่นตแต่หากนำมาตม้งยานั้นนั้นตัวนี้อะที่จะเกิดประโยชน์ให้ตั้งาที่เดเสียไแล้วมันเป็นประโยชน์สำหรับคนสมใจเนี้ เก็บเอาไว้เราก็ได้ทราบว่าจะปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของธได้อย่างไรดังนั้นําลาจึงสนคันหรือเชื่อมีคนามนใจไปศึกษาแล้วนํามาปฏิบัติหาปฏิบัติถูกตามคาแนะนำของท่านจิตใจมันเย็น มันฝุ่นมันสงบแต่นั้นกายใจทองเราจิงเหยียดเชื่อเป็นทางของธรรมะทางของกิเลสปัญหาเลยะธรรมะบทได้ข้อได้ที่เป็นเขียนเอาไว้ในตำราต่างๆตัวเขียนไปจักกายใจใจทางนั้นทันเขียนทันรู้ทันที่เขียนบอกเ่าให้เราฟังเราจะ ยินดีปฏิบัติปฏิบัติตามหรือไมยินดีปฏิบัติตามราหนเดีหห้านเลยับทุกตับโทษผลใดจกําไรอะไรจากเราหนักจาตัวของเราเองทำให้ปฏิบัติตามความเดือดร้อนเรื่องของคุณเ่องัหาความามองของจิตของใจมันจะเกิดขึ้น ายในตัวของเราเองเราต้องท้าบาจิตมันว่างรุนจิตมันส่งกรุงเดืเียวจิตมันไม่สงบมันเดือดร้อนในตัวของตัวในตัคนเขียนมันจะเดือดร้อนพอเราไปติดปฏิบัติตามคำสอนทั้งท่านถ้ามันเดือดร้อนอะไรแต่เรา เป็นคนทำคนสูกคนคิด ต, ต่างหากเป็นคนเดือดร้อนแต่เรานอนทำสองทง้องท่านมาฝึกหัดฏิบัติกายวิภายใจของเราเราจะมีความสุขลราจะมีความเยือกเย็นจะมีทางฝันฝึกสิ่งที่เราทำไปผูกไปคิดไปใจไม่ตัวหใจไม่ตัวสุขใจไม่ตัว ส, สบาย เรควที่เชียอทำเื่องแล้วบาดหายไปแล้วผมมีหรืยังมีชีวิตอยู่ผมมีเดี๋ยวทใไม่วงเอาความดีอะไรจากเราปฏิบัติเพื่อปฏิบัติไปแตนั้นถ้าเราสนใจในเราเห็นร่าเราควจะเป็นคนที่มีคุณค่ามีค่าในการเกิดมนเป็นมนุษย์รีบปฏิบัติ่ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ดีงานจิตศาสตรทั่วไปท่านและสอนเราเป็นมนุษยเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นโมฆะบุตโมฆะสุตตีมีโอกาสเวลาที่จะได้รู้ได้เห็นอธรรมเกิดขึ้นภายในใจของตัวดยการปฏิบัติ นี่เป็นเรื่องทุกคนอยู่ควรสนใจควรฝึกอ่านฝึกหัดปฏิบัติเฮ้จิตใจมันใจหยจิตใจมันเย็นมันสุขถ้าจิตใจนี้ถ้าไม่ฝึกหาปฏิบัติไม่ทางอัดทางทำมันกไหลลงไปสู่ที่ต่ำ มีเรื่องกิเลสังหาสุกเทมไปตามเรื่องของกิเลสแล้วก็เหือทานยาคิดเสือเหมือนตาทะเนากหลอนหวานเมื่อเราอยากเราชอบใจอยู่นั้นเหมือนยาสิ่เหล่านะั้นมันดีมันมีคุณค่าแต่เมื่อเราโยกห้ อ, องเสียจิดในสิงนั้น น่าเกิดพิษเกิดภัยเกิดทุกข์ขึ้นหะนี่คื อ, ก, อ, ก, คาอการรักษ า, าใจโดยที่เจริญตามธรรมฝึดเชื่อราย่ะสัส้นนิดหน่อยเท่านั้นแต่จะติดกันหลงไหลจนไม่มีทางออกติดตัมอยู่นิด กระทั่งวันตายถ้าเรามีอิบาสกญาณในรู้สึกปฏิบัติรักษาเย่อขใจหยของกิเลสมันยื่อยุให้จิตใจของคนหลงไหลใสฝันแบบนั้นควรคนเมาอติดกันเพราะไม่มีอัตนีธรรมไม่้ที่จะทำไม่เห็นความศึกอะไรที่จะดียุติเร บ่าเรื่องพิเศคกอโลกเขามีโยมชงชอบกันเพราะนีาศึกไม่ปฏิบัติทางศึกปฏิบัติทางอัจทางทำใจที่ใชอสิ่งซึ่งย่งเกี่ยวกระุดเสียงเหง่อลาวต่างๆามันได้สงบลงไปเึงนความฝุกภายในใจและสึกอันนี้มีคุณค่าสารสูง ในสุขแบบสุขในเรื่องของชีเป็นสุดที่ในอ่อานิจุดในจุดในใจจากการส่งรักจากสังใจตามปฏิบัติภายในเราเห็นเราเป็นภายในเราเราขอชื่อแล้วเดี๋ยย่งดติดกึงเรื่องความสุข ข, ข้างนอกอีกเพราะความฝุ่นที่เราเห็นที่มันเต็มในจิตในใจนะั้นมันไม่ดอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในมัอยู่ในใจขอาเราเองล้วฝึกเราปฏิบัติเราจึงเห็นถึงเย็นจึงสงบอย่างนี้ในใจได้คิดอันนั้นเรื่องอันนี้เรื่องวัต ถ, ถุ้ายนอกจิตจึงสงบจิตจึงเย็น จึงสะดวกสบายอย่างนี้มันไม่เป็นเลยไปอย่างนั้นมันเป็นเพราะเราฝึกเราปฏิบัติเราสมรธิภายในมีกาหนดใจของตัวเองตัดอารมณ์สัญญาต่างๆทีเคยวมายิงเกี่ยวให้ขาดออกไปตั้งใจกำหนดสิหนึ่งสิงใดเอาไว้ เป็นใจรวมสงบนี่คือการฝึกปฏิบัติหาความสุขหาสาระในตัวของตัวถ้าหากเราไม่ฝึกไม่ปฏิบัติมันจะมีมีทางที่จะเห็นความสุขความเย็นของใจยอย่างนั้นก็หลงไหลใส่ฟันคิดข้องแต่เรื่องทัองโลกล่อลไป ในเยิ้มการสุดภายในนอกจากคุกเงาทางนอกตะคุกเหนือะอะไรก็ผิดใจเหนื่อยนั้นในเยิ้มหวังในสักทีแล้ว้อย้อนเขามาที่มี่ทีใจนะศึกษาการสุดปฏนะิบัติถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นของ้า เปลยาจิตโฉมนุสสะปฏิลาโกเป็นราบอันประเสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตัดอ่นจำนวนหมื่นป็นอนแสนจ็นวนล้านมีมากใน โ, โอกาสเวลาที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไเพราะอำนาจหลักฐานของเขามันต่ำแต่มาจังฝีนทลางทำ มันก็มาในบ้านถึงมาบ้านมันก็เลยสบายได้อาจในทำให้มนุษย์จงเป็นโชั่วลาบอันใหญ่หลวงพระุุท้ายเจ้าจะเป็นมนุษย์สาวกอาหันจะเป็นมนุษย์ตลอดไงทุกตั่วดาวิกิทาธาอนาชาควรจะเป็นมนุษย์ พอที an, ่จะฝึกจะปฏิบัติได้ถ้าหากเราเห็นว่ารื่องธรรมะมันอยู่กับเราพอที่จะฝึกจะปฏิบัติให้จิตใจรู้เห็นเย็นเย็นสุขสบายถ้เราเมาข้ามหรือตำหนตัวเองยกโทษตัวเอง เราอาทับอาบขนนะไปรับตัวจำสีนเพ่อนมาทำอะไรก่อดหนึอะไรให้ก็ทำนนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวไปหมายเอาผลอันสูงส่งมันก็เป็นไปหม่ยได้เนื่องเขาทำนาทเพียงนิดหน่อยข้าจคืไปปู่ตอห่างเพียง แตบป่องเดียวในแบบเวลาเกิดเหยุอย่าเจะได้มืกอย่างที่เราทาเป็นถึงเป็นงานของเขามันเป็นไปเลยว่าเขเหตุกับผลมันเหตุเช่นเดียกันแต่นั้นทำมากผลถึงจะได้ผลมากอย่าไปคิดว่าเราอาพับปั่นยาอย่างสามาจิตติเจนาหรือตกฝนปฏิบัติตนหรือฝน สงบเย็นได้อย่าไปถือหลาอย่างนั้นไอ้ถือเราเราคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุ์เหมือนกันทำผรดดีผิดเลวผิกจะทำมนเพลินเป็นผิดดีผิดเกิดเราถือเป็นฐานะทำแต่มีผี้เหยกปัญหาเมดบอดมาโน่นกันกับเรา แต่อาศัยท่านตาใจกำหนดขับไล่ข่วนช่วีเตื้อต่างๆออกไปจากกายจากใจสิ่งควรผูออกไปทํายากแต่ท่านทําได้เราจึงยอมกราบไหว้ถือเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าหาเเกเสมอกันกับตนหรือต่ํากว่าจนลงไปใครเล่าเขาจะไปนับถือไปจ่าวัว พอเราอย่างไรเท่าัวอย่างนั้นเหมือนกันอยู่ไม่มีอะไรที่จะดีหรเสียพอที่จะน้าศึกษาน่าเลื่อมใสนี่ท่านประพฤทิปฏิบัติของท่านเอาจริงเอาจังเต็จิตใจของท่านลาถอนปล่อยวางเกี่ยวกความข้องจิตจิแวะในสี่ต่างๆอย่างโลกเขาปิดกัน เราจึงยอมกราบยอมไหว้ถืว่าท่านดีดีเกจกว่าเราเราจึงถือว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ถ้าหากมันเสอกันเหมือนกันมันก็ไม่ต้องไปหาครูหาอาจารย์ที่ไหนพอมันเสมอกันเราอย่างไรก็อย่างนั้นมีท่านมันดีกว่าเราท่านจึงมีอย่างนีสอนเรา เราจึงเหลือ่อมไสในปฏิปทาการดําเนินทางตาทางมาตาทางใจของท่านเมื่อเราถือว่าท่านดีวิเศดกว่เราเราก็ต้องสืบหาเหตุผลที่ทำดีวิเศษนั้ทนทำดีด้วยอะไรตายของท่านกว่มีเจียมมีเกียติมีตายเนื่นอง ก, กันกับเราไม่เห็นอะไรผิดแตกแตกต่างกัน แข็งอวัยวะทุกอย่างที่เป็นผู้หญิงก็สมบูรณ์ในเทศของผู้หญิงผู้ชายก็เป็นผู้สมบูรณ์ในเพศของผู้ชายในแปดกันที่แปดกันนั้นอาศัยความเทียงของท่านอาศัยสติปัญญาของท่านพรรมะสิ่งส่วเียต่งางๆทำงานใจโดยจากรกายใจของท่าน ถ้าม <e ีความรู้ความฉลาดความสงบความสุขความเย็นภายในท่านเราจากประเพื่อปฏิบัติอย่งท่านนั่ต้มีโอกาสที่จะรู้ไปเหนจะเป็นดาวท่านแต่มีแต่ความยากสั่นคือลงมือทำละสาสางความเชื่อที่ เตมาอย่างไรปกคงเป็คนคงวายอย่างนั้นแต่ความดีมันก็มีโอกาสเวลาที่จะเกิดขึ้นมาเพราะความเชื่อมันปิด บ, บังเอาไว้ทับผมเอาไว้อย่างความดีเกิดขึ้นแล้วะต้องชำระความเชื่อออกไปเหมือนกันกับเราอยากจะเห็นที่นั้นมันสะอาดน่าดยู่น้าอาศัยคือมัน โล่งมันเปลี่ยน <c oughs> แล้วก็จะต้องถาดถางสิ่งที่เป็นข่าสุดของความไม่สะอาดออกไปเอเราถากไา่าเราถากถางออกไปความที่เป็นต่าเป็นดงนั้นมันเริ่มหายไปเอาไฟเผาเจนหมดไป ใตอนไปพูดว่าเรียดหาห่ า, ม า, า ง, าาางามันเป็นทุ่งเวงว่างใน้เต็นไม้จิดบังต่ตอนไปพูดหาตาเราทาลาวตาลงไปไกเผามันถี่มันกหมดตายตาเด้งอยู่เราทำลาย ไปเห็บเผาหรือตัดตันโดยที่เด็ดปัญหาความเเกียต่างๆนานะที่มีอยู่ในตาตาจ็ทําน่องโยกันทำให้ตัดให้สันนราเผาโดยตัดตัดคือความเียนคือสีปัญญาทับหน้าหรือินใสใจตื่เคหลงไหลใจตื่นเคยคล่องจิตใจต่เคย พุกเดือดร้อนต่างๆนั้นถ้าเราปฏิบัติถูกตามคำนองของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ตั้งใจปฏิบัติจริงจังความสงบเป็นอย่างไรเราจะเห็นในจิตในใจของเราความสุขความเย็นของใจเป็นอย่างไรจะเห็นในใจมีสิทธิ์ต่างเสีย พพทธหออริยสาวกถ่งน er ั้นทธเท่วงห้ากันถ้าเกิดปฏิบัติเหมือนกับทานอาหารวามทานจะต้องอื่ความอิ่มนั้นไม่ว่าสมัยพุทธกาลรือสมัยปัจจุบันมันเหมือนกันเด็กทนอาหารกิอาหารน้อก็อิ่มคือใหญกินน้อก็อิ่ม นักเดือดกินมันก็อิ่มใคาหารกินมันก็อิ่มแต่อาหารนั้นมันมีเพียงพอมันต้องอิ่มเรืงแก่อาหารนั้นมันมีน้อยมันไม่พอต่อปากต่อท้องเท่าไหร่ขั้ใดการต่อไปปฏิบัติก็ทํานอนยกกันในว่าสมัยพุทยการหรือสมัยปัจจุบันคนที่ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษา กายวา่จทั้งตัวกำจัดชั่บำเพ็ญดีจิตมันจะเย็นมันจะสงบกิเลในสมัยพุตธาจารย์ก็บกิเลสในสมัยปัจจุบันมันเหมือนกันมันมมีอะไรผิดแปลแตกต่างกันผู้ปฏิบัติท่านก็อยู่้ทำลายกิเลสเข็มคำโข ความโกรกความหลอเป็นตัวการเป็นมูลฐานของกิเลสถ้าสิ่งทั้งสามนี้มีมากเท่าไรมันก่อไปกันใหญ่ความสงบสุขภายในมองเห็นเพราะสิ่งเหล่านี้จบติดเอาไว้หุ่มหัวเอาไว้ใจก็เลยเนี่ยเห็นความสงบสุข ไม่เย้นอาจเห็นทาให้จากนั้นต่อขับไล่ตอทำลายความโลภความโกรธความหลงของตัวออกไปจากใจของตัวโดยอุบาสกธรราที่เจรณาหาเหตดผลมาแก่ความโลภความโกรธความหลงของตัเหตุผลก็มีอยู่ แต่เราไม่มีปัญญาที่จะนำมาแก้ไขพอเราม่เด้ศึกษาด้ยปัญญาจตจาจัดขับไล่นิดหน่อยมันไม่ถึงรากฐานของมันเหมือนันกับเราถางศาสตรา ไ, ไั่นดองขุดค้นรากเหง้าอของมันขึ้นมาเถ่ามาทำลายาถางไปแล้ว ใส่แล้วหลายเดือนหลายปีเท่านั้นก็งอๆขึ้นมาอีกเหมือนฝึกฝนเป็นโดเปนากนะทุกเหมือนเดิมมันเป็นธรนองนั้นถ้าเราถางไปแล้วเผามันเสียเนยถไปแล้ว อะไรที่มันงอกขึ้นมาอีกเราขุดค้นหลักต่อของมันหลักงอกของมันขึ้นมาเผาอีกผลที่ติดมันก็ตายในนี้วันงอกขึ้นมาได้มีการปฏิบัติการจัดโลกเกวหลงออกจากใจกับทา ง, งานองเดียวกันพยารามคิดค้นที่เจะนาดู เหตุผลของมันความอยากได้ที่งใดมีสั่งสาเลยเถิดเลยแดนแผ่นดสามโลกถ้ามันโดยมีสั่งษาธรร ม, ม, ามาดาอยู่ในกรอบของสิงีต้องท ำ, ท, ำทังท้งตะลุยทีแล้ว โอบมากเท่าไรใจร้อนเทนั้นไม่มีความปลุกความสงบให้มีมากมาเท่าไรจะยิ่งยากเลยมากเท่าไปนี่คือความโอบท้องใจแต่ที่เจอในระทางนี้ทางสัณละมันก็มีพยานหลักฐานที่เราเห็นด้วยตาของเรา ก็พอนำมามาสอนใจพวกเราได้คนอยู่เขายิ่งวุ่นแสวงหาสมบัติพัฒนาานในใจไปวัดเวาจำศีลภาวนาในใเหตุทำทำตามสืบผลอะไรมี่ต่แสวงหาตลอดน้นตลอดเวลาได้มาก็เก็บรักษาใ้สอยอะไรก็ไม่ใช่เลยใช้สอยสะดวกสบายช้อปทำาปไหน นี่ห่วงเอาไว้แล้วพอตายไปแล้วเห็นไหมหอบอยู่หาผ่ามไปไหมเวลาเป็นอยู่ก็ไม่มีความสุขกายสุขใจมีเจรจาได้าเวลาตายไปแล้วเอาไปเลยได้เวลาจะเจอของใครลมดการจะจะตายทั้งตัวเอียงก็เอาไปเลยได้หนีพยานหลักฐาน เราความคิดอ่านสอนใจท่าเราอย่างนัมนโลกเกินไปอย่างได้ในมีสังสารยินร่มจนม่มีความสุขความสงบถ้าเราสอนตัวของเราอย่างนั้นที่เรียนมาให้ถึงจิตถึงใจจริงจัําำสอนของพุทธเจ้ามันจะจรินแค่ไหนเหตุผลมันมีได้อไม่ มันจะเกิดกระทบใจล้วทํารู้จรินนจดิงถึเราไม่อยากได้แลาวนี่ยหิเหิวเราเย็ดหือเพยเ่านั้นมันก็เป็นของเราอยู่โดยดีให้เราอยู่เหน้อมันอยาให้มันยเหนือเราความหได้เหล่านั้นความโกรธควาเหือั้ ทสรุปวโกรธไมดีแต่ตัวก็ยังยอมโกรธอยู่ครด่าหรือทำอิจฉาอะไรขึ้นไม่ได้กรตาดำตาแดงน่าเป็นผีเป็นยกขึ้นมาเมื่เหวี่ยาวโกรธนั้นมันเผาตัวของตัวมันเฉีวมันเสียพระตะกปัญญา ในทันในเวลามันเกิดมาทราบอู่แต่มันเหนื่อทันถ้าได้โกรธเ้าหรอกิด้กว่ามันเบามันสบายไปคือมันเมื่อเต็มหมดแล้วมันอย่างนี้ที่จะเมื่อกรดับให้เองไปถ้าหามันมีที่นียยังไม่ต็มอีกมีความโกรธของคนจีเนี้แต่ีิศรีปัญญานั้นน่ะ โดยมีธรรมาสอนจัดมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเวลาดูเวลาชมเวลาสนใจมนุษย์เห็นสัดเห็นมันเกาะกูยิ่งหนีถึแล้วโกรธลรวด่าแล้วว่ากับสัตว์ถมันู้จักภาษามันก็ตปองวิ่งหนีพอเรายินดีที่จับเอาโกรธไว้ เราอย่าเหอยายใจแต่สัต์มันจะเหนปรารถนาเราเป็นมนุษย์เหตเหตุจะยินดีสะสมความสดอะไรอยู่หรือจะต่องขวานใจตัวเองคนอื่นเห็นใาเราพอใจเราเห็นคนอื่นอยู่เท่าป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันแต่ทำไมเล่าเราจึงยิดรึดถือยึดชอบ โดยเหคนนั้นเสัตย์นี้ตัวพ่อเศรษฐปัญญาในหบททำเรื่องของวิเลตัญหาคือความโลกความโกรธนั่นเองถ้านั้นเกิดทันกันเข้าถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นต้องกระดับทันถ้ามัมีกําลังเสมอกันมันใาไม่ได้ถ้ามันมีกําลังของ อาจม้องทำนานมีปฏิบัตญาณสอนก่อนพอมันโงขึ้นมาแถวนั้นนั่นครับแ่อันนี้ไม่ใช่ท่องดีอะไรแต่ตัวพวกตัวเก่าใหม่ตัวเผาตัร้คนอื่นเขาจะรับเอาทาไมของหน่อยเขาเหมือนของฉวบของเสียของ้ออย่างนี้มันจะจ้ออาดในจิตในใจทั้งตัวสานใจทั้งตัว เห็นละเหตุส้อยใสิ่งที่เชอผเสียเหมือนนันนี่คือจตคีต่ปัญญานั้นน่ะเขาเกิดปัญหาเล่นพูดไปทาไปไม่ได้คิดไปไม่ได้เพาคิดไปจะละอายใจมใจีวิธีเบิกบสะดึงัวต่อความชื่อในกล้ที่จะทาจะพูดจะคิ คือคนปฏิบัติตามอาธิธรรมของพระพเจ้ามีความสงบผ่าเผยมีความเฉืยอยใจมีความเย็นความสงบคนอื่นเห็นก็ยนตาที่เยมาเคยนถึงใจเราดาได้ไล่ะความเป็นความสงบความสุความสบาอย่างนั้นถ้าอยางได้ หากเราหยุดเล่นทาละสิ่งที่ชั่วที่เสียเรียกว่ายิ่ปัญหาหลบัวเดียวออกไปจากกายลายกายใจองเราในสิ่งเหล่านี้เนนี้ในภายในใมันก็ะสงบใจมันก็เย็นตัวของใเองต่ชั่งใจเอง ตัวของตัวเรามีความเชื่อความเชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแต่สัมฤทมันหมดไปความสะอาดผ่องใสเกิดขึ้นมาแทนมันเป็นสุขมันสงบถทางาาทการปฏิบัติรักษาไม่จะอยากได้จะไม่ทำ ทำผิวเคยมีอย่างไรจะไม่เทกันจัดเป็นออกไปเมเราต้องการทำาสะอาดจะไม่ได้ตัดกวาดในทาความสะาแต่ต้องการอยากให้มันสะอาดมันจะสะอาดไหมลจากที่ไหนง้นจงทำลงไปทอ่ไหนมันเลยสะอาดก็ตัดมันไปกวาดมันออกหนีของหัวกระปุกวมลต่าง เมื่อเราชำระล้างมันอยู่อย่างนั้นขาดใจมันอยู่อย่างนั้นความสะอาดไม่ต้องละเอียดหาพอชำะความปรกโปรไปแล้วความสะอาดจะเมมกิดขึ้นมาแทนนี่เรื่องอธรรมอธรรมกับธ ร, รมนองเดียวกันมันมีอยู่ในพวกเราท่านทุกคนเราแต่มีแต่ตีนมีปัญญาลืเอกหาสิ่งจีบจงสาละ เราล่ตัวสที่เชื่อที่เสียตัวเป็นส้ากําจัดขับไล่มันออกไปเมื่อเราทำดีอย่างนั้นกาจัดมันดีอย่างนั้นถึงวิเวทมันจะใหญ่โตขนาดไหนเพราะอาศัยการทำลายการชำาะอยู่เร่ยมันโกมันไปเลยถอยิง เยกเ็นเรื่องต่างๆเราทําะมันออกไปวันนั้นนีแล้วนหน่อยผลที่สุดเคยคิดเคยคุยเยิ่งเคยเกี่ยวมันหมดไปสงบไปแล้วไรซาภายในใจของเราพอทำจนทันที่คืโกู้กับขี้บเหล่นั้นกราเห็นเองเป็นจัดจัดตังมีแต่คนอื่นจะมาเห็นให้นม่เฉพาะในตาในใจของเราเราชื่อ ไดงออกมาเราโกหกแต่เราดังชือกเหมือนลหวเราบืเบืนทายเขาฟังแล้วคนรู้จัก่าเราหิวอยู่แต่เราอิ่มแ่ละคนอิ่มเหมือเราวาให้เราจะทราในตัวของเราไหมเวาอิ่มนอกจาทำานเดียวกันแต่นั้นเรี่อความฝกความเพียรเชื่อจิตฤทธธมันมีอยู่ไหมายห การในใจของเราสพากันเร่งกระทำบเททำาเพ็ญชำระสาวสารเหตุบุญคือความฝุ่นความเยืนความอิ่มใจมันเกิดขึ้นอย่าไปคิดส่งพาอาศัยคนอื่นหลักการนั้นก่อนเวลานี้ก่อนเราต้องทําเด็ไปเพราะควาแก่ทำเก็บความตายนะครับไลนะ่มาทุกวันตายไปแล้วทําเลยว่าจะให้ทำ เหอานได้่เนื่อยเวลาเรายังเห่ตายจะรักษาศีลจะรักษาได้บางทีเรายังเหน่อยตายมีลมหายใจอยู่เนี่ยจะพอนาเสมอกันเมื่อตายไปแล้วจึงจะทาคนตายอย่างนี้คุ้มค่าอย่างนีสาจะไปส่งไ้เผาที่ไหนาเอาไปได้ เราค้องอมใจพวกเรากาหนดที่จะมาทำโดยบ่อยทำละโดยบ่อยความสุขความเย็นของสิตของใจนัยนมันกข้อยเกิดขึ้นเห็นขึ้นเตินขึ้นตัวขอเราศาสเองเงลาทานอาหารน่ะทานี้ไม่อิ่มต่ทที่สองที่สามเื่้ไปสกจะไม่อื่น ผลเขาไปเป็นเหล่าๆจึงก็อิ่นเท่านั้นมีการทาความดีก็เหมือนกันทำผลนี้ใจมันไหลผลที่เด็ที่มีอยู่ในใจในใจอย่างนั้นตกมันหล่นไปหมดมันได้ม่หมดก็ทามันไปเหมือนคนเราทานอาหารได้ไม่อิ่มแต่ทานเดือดไปความอื่นนั้นถ้าเราทาน เยือไปแล้วเราต้องแยกแแหงงั <Middle> ้นจาบอกขึ้นลนตัวขงมังแล้อื่แล้วพาแล้วเอาไปอิ่ไม่ได้มีการําระจิตใจก็ททางด้วยกันถ้ามันสงบมันก็ซาบลนตัวขงตัวเองมัน ถึงที่สุดเราจะมีอะไรที่จะทำละจะเป็นเพื่อนไม่โกงทราบทรากจากจใจของตัวเองที่จะทำเพือนเพระนั้นเราทุกคนจึงมีติทิ์ที่จะไปคิดปฏิบัตอย่าไปคิดว่าเราอาภาพอาวุธศาสนาใจของเราเป็นทางทาง่ทำเนี่ยเหมือนกาหนดที่นิพพานมา ธะจริงๆทำเยอกว่าน e um ี้เลยจำเปนิง่ทนเยอกว่าเป็นธรรมให้มากขึ้นเนือต่างทางต่างคนสนใจตนของนเริ่มจัดขับไล่จริงๆขวดมีเสียออกไปจากกายจากใจนความดีเสียศีลมาที่ปัญญานำมาสมบูที่จนำธระอยู่ดีดี วิชาเรมุดจะเกิดขึ้นในที่เราก็ลังทําัมเพนันเองโดยจะมันจะเกิดขึ้นที่อื่นจะเกิดขึ้นที่จิต ม, มันเสดยบีเสยดแล้วมนจะเค็นคิดติดข่องยึดถือต่างๆมันก็แปลว่าของมัน เราก็จะทราบในจิตในใจของตัวเอง